ที่มนุษย์ช่วงนี้เนี่ยเขาเขาคุยกันเยอะเนื่องจากสถานการณ์ต่างๆที่มันซับซ้อนแลวมีรายละเอียดเยอะ mm hmm. เขาก็สนิทีฐานว่าความซับซ้อนเนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้ที่จะเกิดโดยบังเอิญ อันอันเป็นที่ที่มาของคำว่าสุ่มคบคิดพฤติกรรมของมนุษย์ที่มันซับซ้อนและก็ละเอียดอ่อนทำให้มนุษย์ด้วยกันเองนะ่ะอดคิดไม่ได้ว่าเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆต้องมีคนวางแผนนี่มนุษย์ด้วยกันนะ จัดผลงานของมนุษย์ด้วยกันนะมันอดคิดไม่ได้ถ้าเราหยิบยืมทฤษฎีเนี่ยมาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ของสังคมมนุษย์ทั้งหมดเลยโดยที่เราจะมาอ้างว่าแล้วก็เบื้องหลัง การขึ้นหวยของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่น่าจะมีแผนการอะไรบางอย่างของของพระเจ้าบ้างหรือเราก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันพระเจ้าจะต้องมีเดชานุภาพในการที่จะจัดการ การเคลื่อนไหวต่างๆที่เราเห็นผลกระทบของมันเนี่ยเข้ามาถึงทุกส่วนของชีวิตของเราสิ่งที่มันสำคัญกว่านั้นก็คือ <c oughs> เราไม่ต้องเราไม่ต้องเอาเหตุการณ์ของมนุษย์คนอื่นมามานั่งวิเคราะห์น่ะ รายละเอียดดูดีตรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆนี่น้อย อ, อยู่เบื้องหลังบางทีไม่ต้องเอาเรื่องของของคนอื่นนะเอาเรื่องของเราเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราคนเดียวนะในการเคลื่อนไหวของชีวิตของเราการจัดสรรที่ไปที่มาของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถ ที่จะเห็นว่ามีความรู้สึกที่อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่ามีการจัดการการบริหารสิ่งต่างๆที่เราได้พบเห็นในชีวิตของเราหรือแม้กระทั่งที่เรารู้สึกภายใ น, ในใจิตใจของเราเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยคิดในในชีวิตของตัวเอง พบในชีวิตของตัวเองซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นห น, นทางของคนหลายคนในการที่จะเข้าหาพระเจ้ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นโดยเฉพาะพวกวัตถุนิยมที่ไม่ค่อยเชื่อในสิ่งเล่นลับ ม, นะมันเป็นเส้นทางหนึ่ง ในการที่จะค้นหาสัจธรรมและความจริงกุานก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในหลายรูปแบบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กุานเนี่ยสั่งให้เราเนี่ยได้สังเกตการและให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นได้เป็นโอกาสในการที่จะ ในการที่จะค้นหาความจริงและสรจจะทำตรงนี้บางคนก็จะถามว่าแล้วก็สําหรับคนที่เชื่อเชื่อแล้วว่ามีพระเจ้าเรื่องนี้มันจะมีประโยชน์อะไรท่านก็เชื่อไม่อดเลยแหละเชื่อว่าเดชาโนวาหมอน้อยเนี่ยจัดการทุกทุกสิ่งทุกอย่างทฤษฎีนี้เนี่ยมีผลในการที่จะเพิ่มพูมน إيمان لا س و ََِْ ا ل ل َّ ه ُ سُبْحَانَهُ و َََ ت َِ ي َ بِرِنِي ُ و ُُْ و َ ا ن َِ ك ا ل ل َّ ط ِ ي ف ُ ا ل ل َّ ط ِ ي ف ُ ك ُ و ْ د ُ ل َ ي َ ن ْ ب َ ر َ ن ِ ي كُبُوْدُ ل َ ي ن ْ ب َ ر َ ن ِ ي اللَّهُ و َ ن ِ ع ر َْ ن َ ه فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ ع َ ب ًْ ا وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ و َ ت َ ه ُ ك ِ ت ك َ ن ُ و ه เราได้สร้างพวกเจ้าแบบเล่นๆแล้วพวกเจ้าจะไม่กลับมาหาเรากระนั้นหรือแสดงว่าตั้งตามเราสร้างเรามาจนถึงวาระที่เราจะกลับไปหาเราสูา่ษษษษษอาณาจักเราเราได้เราไดวางแผนแบบไม่ใช่ไม่ใ ช, ช่ของเล่นๆสําหรับผู้ศรัทธาที่มีความเชื่อแน่นอนแล้วอ่นะยิ่งเห็น หลักฐานต่างๆในความปราณีตของพระเจ้าในการจัดการในการดูแลในการบริหารในการจัดสรรในการสรรหาความเหมาะสมในการเจะจงแต่ละเหตุการณ์เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้สถัานั้นยิ่ง มีความเลื่อมใสามากขึ้นน่ยหลอวมาไี่บอกว่ามันเป็นการเพิ่มยากินยกินยกินเพิ่มความมั่นใจในพระเจา้ามีประโยชน์ไมหมมนท่านนาบีบราฮีมอรินีไกิดฟกิดว่าถูพิลโมเดขอให้ขาา้าพระเจ้าดูหน่อยสิพระองค์ท่านทำ ทำให้ฟื้นคืนชีพชีวิตที่มันตายไปแล้วเนี่ยทำยังไงใกล้ฝะเราบอกว่าเอาวะาัมตุมิเจ้าไม่ได้ศรัทธาแล้วหรือกป ล, ล่าะปล่าเอาลยศรัทธาแล้วว่าแล้วแต่ถ้าว่าลิยตตมอินน์กัลบีใจันเนี่ยจะได้มั่นใจจะได้มั่นคงแสดงว่ามีประโยชน์ ก็เป็นอายะเนี่ยเป็นการตอบโต้ทัศนค์ของพวกมรุรจิอาที่เขาบอกว่า إيمان นี่มันเป็นก้อนเดียวคือเขาอธิบายว่าอีมา ن นี่คือรู้จักอัลลอฮ์มีอัลลอฮ์แล้วก็ไอความรู้จักอันเป็นอีมานเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วละ่ะก็เหมือนนี่มีรู้แก้วถ้าเรารู้ว่ามีแก้วไอแก้วนี่มันจะโตไหม ร, ร, รู้ว่ามันเป็นแก้วอะยันเกียร์มั้มันก็จะเป็นแก้วอ่ะราะเดี๋รู้จักอัลลอฮ์ก็รู้ว่ามีอัลลอฮ์แอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะมากกว่านีล้ล่ะอะไระมันจะเพิ่มลูซโนเดอร์อบอกว่าไม่ใช่ความศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเทียบแบบนี้ไม่ได้แม้กระทั่งการที่จะรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่รู้จักพระนามอัลลอฮ์เนี่ยสองพระนามไม่เท่ากับคนที่รู้จักอัลลอ เขาสิบเก้าวันะเหมือนรู้จักคนหนึ่งรู้จักรู้จักชื่อเขาแล้วก็ชื่อพ่อเขาไม่เหมือนคนที่รู้จักชื่อเขาชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อลุงชื่ออญาติเขาทั้งหมดความสนิทสนมเนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นจากการขยายข้อมูลที่เรามีกับคนอื่นเอย่าว่าจะเป็นคนนแม้กระทั่งสรมภสิ่งต่างๆที่มันไม่มีชีวิต ดีสนิทกับสนิทกับมือถือของตัวเองมากกว่าพ่อแม่คุยกับมือถือกับพ่อแม่มากกว่ามากกว่าคุยกับพ่อแม่นเรื่องจริงเรื่อ ง, งที่นา่าอับายสำหรับนวตกรรมใหม่ๆที่มันทำให้ <c oughs> ทำให้คนมันมีความสัมพันธ์กับเหล็กมากกว่าเลือดเนื้อ เหตุการณ์ของสงครามบัตรเนียก็เป็นเหตุการณ์ที่ชวนคิดว่ ala, ดาอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะฮะเล่เพระ อ, องค์มีเหตุมีผลในการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอยา่างลำดับเหตุการณ์ของสงครามบัตรตั้งแต่ แรกเลยเนี่ยจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงครามบาทยทิในการที่อัลลอฮ์ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยในชนะสงครามต่อผู้ปฏิเสธศรัทธา <c oughs> แล้วอัลลอห์บอกว่าเหตุผล <c oughs> ที่อัลลอฮ์ได้จัดการเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย มันก็เป็นเหตุผลเดียวที่พระองค์เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่สร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยการส่งบรรดานับีลุลรอซูลผู้ใดที่ศรัทธาในพระบัญชาที่พระองค์ส่งไปกับบรรดานบับดุลรอซูลก็จะได้รับการตอบแทนผู้ใดที่ปฏิเสธ a ลล a h ก็จะลงโทษ เช่นเดียวกับสภาพแห่งองค์วานฟิราห์นกะดับี a l l y ฟิร์ราห์นซึ่งฟิราห์นนีก่ก็ถือว่าเป็นเป็นอรารยธรรมอารยธรรมที่ที่เรียกว่าเป็นแบบอย่างของของมนุษยชาตินในโลกใบนี้นะก็ว่านายอรารยธรรมของเขาเนี่ยเป็นวัตถุที่มีความที่มีอายุยืนนานที่ สัมผัสได้ทุกยุคทุกสมัยสำหรับตำรานั่นประวัติศาสตร์ที่พูดถึงผลงานของพวกพี่เราเนี่ยโดยเฉพาะพีรมิดแล้วก็บันดาสงสารของเขาเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันทุ ก, ทกอรารยธรรมเลยก็พูดถึงคือไม่มีใครอะ เดินทางไปในอนในโลกโลกเก่าเนี่ยก็คือโลกเก่านี่ก็คือเอเชียแอฟริกาในรูปนะก่อนที่จะมีอเมริกานะเพราะมนุษย์ที่มีอรารยธรรมที่รุ่งที่รุ่งที่สุดเนี่ยก็อยู่ในสามทวีปนี่แหละใครที่เดินไปเดินมาเนี่ยในสามทวีปเนี่ยก็จะไม่พบสิ่งวัตถุที่มัน ชี้ถึงผลงานยอดเยี่ยมของมนุษย์เนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าบิลามิดทุกวันนี้นะทุกวันนี้แม้กระทั่งวิศวกรรมสถาปัตยกรรมปัจจุบันนะนี่ก็ยังขี้ล้กันยังทะเลาะกันอยู่มันสร้างกันได้ยังไงเนี่ยนี่เรื่บอกว่าโอ้ยไม่มีทางหรอกพวกฟิรเอาเนี่ยพวก อีบโบราณเนี่ยก็จะสร้างกันเองได้ไงมนุษย์ต่างดาวแงๆเลยเทคโนโลยีเนี่ยมนุษย์มนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่ทาไม่ได้หรอกในในยุคนั้นน่ะก็มีวิศวกรปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอย่าว่ายุคนั้นนะยุคนี้เอายุคนี้นะแล้วเขาจะสร้างเีร์มิดแบบนี้น่ะตามมาตรฐานนี้นะในเอกสาร ที่เขาพบไปนะเอกสารโบราณของอียที่เขาพบไปนะเขาบอกเขาสร้างอะไรอะยี่ยี่สิบมันมีสามบิมิดที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีบิมิดเล็ ก, กนนะบิรามิตนี่ถ้าใครไม่รู้บิลามินี่ก็คือสุสานนะ่ะเป็นกูโบกูโบคนพวกกสันบิลามิตนี่เป็นร้อยบิลมิตนะแต่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมีอยู่สามสามสามลูกที่สามลูกเนี่ยโคฟูค ขฟราแล้วก็มันกระสาสามตัวนะสามลูกใหญ่ที่สุดเนี่ยคูฟูหรือที่เ้าเรียกันโคฟูนี่พีระมิดใหญ่ที่สุดนะนะเขาอกว่าสร้างนะ่ยี่สิบปีอันนี้เป็นที่มาที่ทีวิศวกรปัจจบุบันพ่ามมานั่งคิดวิศวกรแล้วพวกนักดาราศาสตร์นะเขามายุ่งด้ยนะาะ ว, ว่านักสังสกันเกี่ยวอะไรกันหนระือเปล่า นักฟิสิกส์นักอะไรเนี่ยวัานั่งศึกษากันแนละความเป็นไปได้ที่ในยี่สิบปีเนี่ยมนุษย์จะสร้างได้เหรอเด็ดเด็ก้อนหินแบบนี้เขาบอกว่าอย่าว่าในอดีตนะในปัจจุบันนะถ้าจะเอายี่สิบปีเนี่ยมาตัดหินแบบนี้ก้อนใหญ่แบบนี้แล้วก็มาสร้างอาคารใหญ่แบบนี้ยี่สิบปีก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่า อัลลอฮ์ก็เลยเอาเรื่องของฟิราห์นมาเป็นตัวอย่างฟิราห์นที่เขามีอรยธรรมที่มันใหญ่โตก็ไม่พ้นการบริหารจัดการของพระเจ้าแต่แทบีไอลีฟิราห์นเช่นเดียวกับสภาพแห่งงวงวานของฟิราห์นและบรรดาผู้ที่ก่อนหน้าพวกเขาซึ่งพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของมันบอกนี่คือสิ่งที่ ส่วนคิดนะคือถ้าเป็นครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วกันปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธนบีไปครั้งหนึ่งแล้วก็ลงโทษไปครั้งเดียวครั้งเดียวนะกันแล้วไปนะมันก็อาจจะอาจจะเถียงกันได้ว่ามันบังเอิญมีคนหนึ่งมาอ้างว่าเป็นศาสดามาจากพระเจ้า เชนส่วนศรัทธาพระเจ้าแล้วเขาปฏิเสธแล้วก็อยู่ดีก็ลงโทษแต่เป็นครั้งเดียวนะมันก็อาจจะบังเอิญได้แลโลก็ด็บีเอลฟเรานั้นวะล่ะที่นั่นก่อนฟิราหนซึ่งฟิราห์นนี่ก็เก่าแก่แล้วนะวะล่ะที่นั่นมิ่งก่อและก่อนฟิรานด้วยอุลมาบอกว่าก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าอย่างฟิรานแล้วก็ก่อนฟิราห์นนี้เก่าแก่กว่าฟิราห์นนะก็มีมาตรฐานหรือมีมาตรการเดียว ปฏิเสธศรัทธาก็ถูกลงโทษนั่นหมายรวมว่าแล้วก็หลังฟิดาวมันก็เช่นเดียวกันเพราะหลังฟิดาวนี่มันยิ่งใกล้ชิดด้านประวัติศาสตร์มีขนาดห่างไกลขนาดไหนอ่ะนะมือก็ยังจดจำด้วยความสามารถที่มันไม่ค่อยจเจริญมากนักหนาแต่ก็ยังจํจำนะยังลือกันยังเล่ากันโดยไม่ไม่หยุดโอ้ดาวนี่อยู่ไหนกันมาถูกลงโทษมีนบีมาแล้วก็กไม่ไม่เอาก็โดนลงโทษ รุ่นหลังฟี่เราเนี่ยก็ยิ่งเลวขึ้ที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้มันอดคิดไม่ได้ทำไมอะและทำไมนบีแต่ละแต่ละท่านที่มานี่นะก็มีข้ออ้างเดียวว่าเขาเป็นระซูลมาจากพระเจ้าแล้วก็มีคำพีรและมันจะ มันจะบังเอิญได้ไงอหรว่าคําสั่งสอนของนบีนแต่ละคนเนี่ยนตลอดเป็นหมื่นปีแบบนี้นะนะเป็นคำส่งสอนเดียวเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องหลักศรัทธาหรือหลักศีลธรรมดานาบีเราซูดหลังๆในเรื่องหลักศีลธรรมหลักจริยธรรมต่างๆเนี่ยก็ เ, เหมือนกันหมดเลยมันจะบังเอิญได้ไงอ่แล้วคนที่ปฏิเสธ วันนี้ปฏิเสธปรากฏว่าโดนลงโทษเหมือนกันฝ่าข้ารือหุ่นลอหุบิฎุนูบิหิมแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ท่งลงโทษพวกเขาเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขาอันนี้เราอัยยานี้อธิบายเวลาเราจะมาทบทวนนั่นเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับอายะต่อมาอินนัลลอฮะขัวิยุนชัดีริตุลเลาะห์แท้จิงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงรุนแรงในการลงโทษ ปกติแล้วคนที่จะมีพลังและอำนาจในการจัดการผู้อื่นไม่มีเขาไม่มีข้อบังคับใดๆที่จะต้องใช้เหตุผลกับคนอื่นสังเกตไหมคนว่าอำนาจในปัจจุบันหรือเวลาอื่นก็ตามคนเวลามีอำนาจะ จะลงโทษใครก็ดัมต้องมีเหตุผลไหมไม่ต้องมีเหตุผลถึงจะตั้งศาลศาลทุกชนิดนันที่ก็ตั้งกันถ้าจใจใครไม่ผิดก็ไป่งเขาเขาเป็นผู้ของอำนาจอยู่อัลลอสุลฮานุวะดาลาได้พูดถึง สีทขาดของพระองค์สองอย่างเนียวิทรงพลังและก็ชฉดีดูในคอบ ร, รุนแรงในการลงโทษซึ่งสองอย่างนี้ถ้าเป็นมนุษย์นะอาจจะเป็นลักษณะของมนุษย์ที่ไม่มีสติไม่มีเหตุไม่มีผลก็ได้ก่าวคือมนุษย์ที่บ้าอำนาจและอยากจะแสดงพลัง และลงโทษคนอื่นโดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้แต่สำหรับอเล็กซ์ฟรานอตเราจะคิดแบบนี้ไม่ได้โดยเฉพาะในอายะเนี่ยช่วงแรกของอายะเนี่ยพูดถึงความสม่าเสมอในด้านเหตุผลที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ในระยะเวลาห้าสิบปีที่อาจจะเป็นอายุไขของผู้ปกครองสักคนยังไงนะนะโอ้โหเนี่ยปกครอง ม, มาห้าสิบปีเนี่ยจึงรู้ว่าเขา ปริชายานขนาดไหนเขามีเราบริหารโลกโดยเฉพาะในการในการที่จะส่งบรรดานาบีแลราเราสูดแล้วก็จัดการคนที่ปฏิเสธเนี่ยนับพันนับหมื่นปีเนี่ยซึ่งมนุษย์ก็สามารถที่จะตรวจสอบตรวจสอบประวัติศาตร์วจสอบผลที่มันเกิดขึ้นตลอดอดีมอตมาเนี่ยตรวจสอบด้วยตัวเองได้ <c oughs> เหตุผลนี่มันเพียงพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังและการลงโทษโล่อสุศมานหัวใจแล้วมันเกิดจากมันเกิดจากกฎและ <reet> เหตุผลที่ทุกคนมีความจำเป็นต้องยอมรับ หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นเหตุผลฝ่ายเดียวที่อ้างอิงซึ่งอำนาจอย่างเดียวทําไมถึง่างนี้เออต้อก็ก็ฉันเป็นก็ฉันเป็นพระเจ้าไม่ใช่มันไม่ได้เพียงเหตุผลแค่นี้อย่างเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ทําให้พวกเราเนี่ยจะต้องคิดนะครับว่า ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยถ้านลสุขานะอวดายแหละจะเบ็ดเสร็จทุกอย่างนี่เกี่ยวกับมนุษย์นะเพราะองค์ย่อมทำได้ในฐานะที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เหมือนเราถือกรรมสิทธิ์ไปซื้อแพะมาตัวหนึ่งแล้วอยู่ดีๆก็เอาไปเชื่อใครจะว่าเราได้ไหมใครจะว่าอะไรได้ไหม คำอ้างของเราก็ก็แพร่ก็แพร่ขงผมว่าผมซื้อมาเป็นขงผมอ่ะอ้าวผมไม่สงสารมันนะไปดูคุณใช่ไหมเราอ้างกรรมสิทิ์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ะ ا ل อ้างกรรมสิทธิ์บ้างล่ะละมนุษย์ทุกคนว่าทั้งหล่อนี่ที่อัลลอฮฺนิยติอัว่าฮฺบอฺอูชาอันยูลิกุมลาเอแลกุมวะฮฺวะราหิมุมบีห คือว่าอัลลอฮฺสุลฮานาอูตะลาล่ะมีความเมตตาอยู่แล้วเพราะเป็นสิ่งของอัลลอฮฺสุลฮานาอูตะลาไม่มีใครที่จะล่วงเกินหรือจะประท้วงพระเจ้าได้สิ่งของอัลลอฮฺสุลฮานาอูตะลาแต่อัลลอฮฺสุลฮานาอูตะลาล่ะไม่ได้ลงโทษไม่ได้นำมาซึ่งความไหแะนะมาให้กับมนุษย์เนี่ยโดยวิบีทั้งในโลกนี้แล้วกันแล้วก็ในโลกหน้าเพราะฉะนั้น อัลลอฮฺ سبحانه และ ت าก็ในบอกในอายะฮ์ห้าสิบสามซึ่งเป็นอายะ์ที่ต้องอธิบายไว้ได้นานนานแสหนานเพราะเป็นอายะ์เป็นอายะ์ที่มันสรุปสรุปปัญชาอะไรหลายอย่างถ้าเราได้อธิบายและเข้าใจตรหนักมากขึ้นเนี่ยเรา เราจะมีความอบอิ่มในเรื่องในเรื่องความศรัทธาด้านเหตุผลของก่อและกอดิมทั้งหลายกฎสภาวะทั้งหลายเราจะไม่มีข้อสงสัยใดๆว่าสิ่งที่อัลลอฮสุบฮานวาวาตาละกำหนดนั้นเกี่ยวกับมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์นั้น มันเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วเนื่องจากว่าอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ะไมทำอะไรที่มันเล่นๆอะไรที่มันมันไร้เหตุผลนั่นก็คือที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็คืออะไรก็คือการที่เราส่งบรรดาอบียเราราสู้ไปแล้วก็มีคนปฏ กุ่มชลเขาปฏิเสธ Allah ก็เลยลงโทษขเขาเฉกเช่นที่สงครามบาตเดนนะมันก็เป็นเนื้อหาเหตุการณ์เดียวชินวงวันฟิราห์และก็คนก่อนหน้าฟิรามนั่นน่ะนะไอ้นั้นทั้งหลายนี่นะก็คือเหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยเรื่องทั้งหลายทุกม้วนนี่นะนั่นนะ่ะนะ بيان الله ลม่คือผ غيرنعم ะงามะข้าวินถึะผู้ผู้ผู้ผู้ผาเผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ีู้ผูู้้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ลู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผู้ผ้้ ทรงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงความกรุณาใดๆเนี่ยอมตันความกรุณาที่เอามาให้กับพรทธวนมนุษย์เนี่ยที่พระองค์ทรงประทานแก่กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองมีความกรุณา แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวพวกเขาก็แสดงว่าความกรุณาเนี่ยเขาได้มาจากสภาพสภาพของตัวเองที่ทําให้อัลลอฮฺโปรดปรานเขากรุณาเขาเพอเขาได้เปลี่ยนสภาพของตัวเองเนี่ยอัลลอฮฺก็ได้เปลี่ยนความกรุณาเป็นความกรุดกริ้วก็คือเป็นการลงโทษแสดงว่าก่อนที่จะเปลี่ยน จากความกรุณาเป็นการลงโทษเนี่ยมัลสุบฮานาอว่าดาละได้กรุณาเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพวกเขาเนี่ยสอดคล้องกับความประสงค์ของเลาสุบฮานาอัลลวอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนความกรุณาเนี่ยเนี่ยม่เนี่ยจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนส่วนมากก็จะเข้าใจส่วนมากก็จะเข้าใจดีความว่าหมายถึงว่า นือมาหนีความโปรดปรานความการุณานี้ไม่ท้งว่าความสุขความมั่นคงวิถีชีวิตที่ไม่ลำบากอยู่ดีกินดีอเราจะไม่เปลี่ยนสภาพนี้เ่ยจนกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งมีอายะอื่นที่ที่อาจจะสนับสนุนความหมายนี้จช่น س و ر الطلاق م ذ ر ب الله ومعزيزين. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقه الله لباس الجوع والخوف يصنعه. ما كان يصنع الله د ي أبما يق أ ا ل ن كُل م ن م َ ن م ا ن م َ ن م ن م َ ن ن م ن م ن م َ و م ن ْ م َ มีฤทกี่มีปัจเจยังชีพมายังพวกเขาจากทุกสารทิศแต่เขาได้ปฏิเสธเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์สุฮันและก็สารต์เบียนอุมิลก็คือปฏิเสธปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธปฏิเสธที่มาของเนมาแต่ที่จะขอบคุณเนรคุณะอาา أ ذ ا ق ه الله ل ب ا า الجوع لا เล ي เปลี่ยนสภาพความมั่นคงน่านวิถีชีวิตที่มันที่มันดีงามนะอัาเนาะให้เขาได้ลิ้มความความหิวความอดอยากและความหวาดกลัววิมาร์กัสเนื่องจากน้ำมือเรื่องการกระทำของเขาท้ามาเทียบแล้วกับอาญาเนี่ย ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمه على قوم حتى يوينه نعمة الله ีมายูดีกินดีสลามกันดีดีเดินกันไม่ต้องปิดหน้านั่งฟังบรรยายไม่ต้องปิดหน้าไปไหนแต่ไหนนี่เรไม่ต้องล้างมือแอลกอฮอล์ไม่ต้อง ไม่ต้องคัดของไม่ต้องวัดอุณหภูมิสบายเจอกันก็นกนสลามกันแบบสบายสบายกอดกันหอมกันโอ้ย่างสนิทสนมกันเลยทั้งหมดนี่มันเป็นความสุขไหมมีความสุขคือไม่รู้เนี่ยนะแม้กระทั่งเข้าเซเว่นเนี่ยไม่วัดอุณหภูมิเนี่ยมันก็มีความสุขนี่คือเขา้ขาออกเข้าร้านออกในแบบสบายสบายไม่ต้องไป ท, ทําท่าทีอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความสุขของมันอยู่แล้วนะแต่เราเคยคิดเมื่อไหร่ล่ะ ว่าเข้าร้านออกจากร้านเนี่ยไม่ต้องมีมาตรการนะนมันมีความสุขจนกว่าเจอเฮ้เข้าวัดอุณหภูมิด้วยค่ะอะไรวะคือมันทำลายอารมณ์หมดเลยอะ่ะกำลังเข้าจะซื้อของวัดอุณหภุมิมันทำลายความทาลายความสุขอ่ะที้ออกมายิ่งยิ่งเราตอนเนี้ยออกจากบ้าน ตั้งใจว่าจะไปห้างจะไปซื้อของตะกอนนู้นนะไม่คือกำหนดการของเราเนี่ยมันไม่ต้องมีไอ้พวกนี้ไม่ต้องเผื่อเลยไปสนามบินขึ้นเครื่องลงเครื่องไอ้ของพวกนี้เนี่ยไม่ต้องเผื่อเลยเดี๋ยวนี้แหละโอเดี๋ยวนี้นี่ถ้าเป็นพวกพวกื้นดีไขแดงเนี่ยก็ต้องเผื่อสิบสี่วันด้วยนะไปไหนแต่ไหนในครอบครัว ตรงกัดตัวสิบสี่วันแล้วใครจะใครคิดจะไปไหนอ่ะคิดดูนะแค่เคลื่อนไหวระหว่างจังหวัดกันเนะี่ยโดยที่ไม่ต้องอยู่ในจินตนาการนึกจะจะไปไหนอาจจะไปไหนขับรถไปเลยไปไปจจบันไปสงขาไปอะไรนี่นะไปเลยซื้อตั๋วขึ้นเครื่องแล้ไปเน่ไเยไปเที่ยวไหนก็ไปตรงที่ไหนนี่เช่ารถไปเที่ยวแต่ถ้าท่านมีความสามารถไปจะไปไหนก็ไปเลย โดยมีแแม้กระทั่งเองจะมีตั้งแค่ไหนอ่ะเองไม่ได้คิดดูดิผมก็บอ่าไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นน่ะ น, นะเราแค่เแค่เข้าร้านแล้วก็กําลังเข้าแบบแบบว่ามีความสงบกับตัวเองอ่ะนะแล้วก็ต้องเจอแล้วก็ต้องเจอเจ้าหน้าที่ในร้านเนี่ยวัดอุณหภูมด้วยกันสะดุ้งเลยอ่ะ แค่นี้มันก็นมันก็นไม่มีความสุขแล้วระดับหนึ่งเนี่ยตัวอย่างเนี่ยมาเราเคยอยู่ในเนี่ยมาเราเคยอยู่ในวิถีชีวิต ท, ที่มีมีความการุาาณาบ้าคนเราเนี่ยมีขนาดขนาดเราไม่มีอคติอะไรกับการปิดหน้านะ ไม่มีนะและถ้าคนที่เคยดิ้นรนต่อสู้ห้ามคนอื่นปิดหน้าล่ะเคยประท้วงอ่ะะพวกนักศึกษาที่เสรีภาพที่ที่ฝรั่งเศสที่เคยเปลือยกายนะเปลือยกายเนี่ยเดินเปลือยกายแล้วก็ปิดหน้าประท้วง ที่รัฐบาลฝรั่งเศสอนุญาตให้ผู้หญิงปล่อยผู้หญิงมุสลิม่าที่ฝรั่งเศสปิดหน้าดูเขาประชดเดินเปลือยกายอนะเพื่อประท้วงประชดมุสลิม่าที่ปิดหน้าแต่ตอนนี้ละ่ะตอนนี้หละ่ะตัวเองต้องปิดหน้าคิดดูสิมันมันทรมานขนาดนามันขนาดไหะ ซึ่งอายะเนี่ยอายะในสุรธอรมฟ้าเนี่ ย, ยที่สอดคล้องกับอายะอื่นที่เราได้อุปมาเมืองที่เคยอยู่ในวิถีชีวิตที่มีความสุขและเขาปฏิเสธมันยกตัวอย่างได้เยอะเลยอรในอดีตและก็ปัจจุบันและในทุกรูปแบบรูปแบบที่มันรุนแรงแนะม้ว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ที่เคยมี รายได้ดีมีวิถีชีวิตที่ดีที่มีความมั่นคงแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ได้ในรนาดยับเลยพังยับเลยผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังประเทศลิบานอนเมืองหลวงของลิบา น, นเนี่ยเบรุตในฉายาว่าปารีสตะวันออกเมืองปารีสปารีสนะมืองหลวงของฝรั่งเศสเนี่ยสวยงามขนาดไหนอะนะ ไบรุตเนี่ยเคยได้ฉายาว่าเป็นปารีสของตะวันออกของโลกอาหรับและเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของชาวอาหรับตอกก่อนรุ่นอะไรได้ของลิมอนทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่ซึ่งเป็นประเทศที่วรวยนะคล้ายๆบ้านเราอะมาจากท่องเที่ยวเขาบอกว่าความความที่คนเขา ไม่กระตันญูในเนี่ยมากนะไม่กระตันอูในเนี่มะนะมนยนนมากเนี่ยเาก็มีคนที่เขาเห็นเมืองเบรุตเนี่ยในช่วงที่รุ่งที่เมืองมันรุ่ง ม, มากครับและช่วงที่อลาสลงโทษให้เกิดความแตกแยกในสังคมเขาแล้วก็มีสงครามกลางเมืองแล้วก็รบกันนะ่ะเขาบอกว่าเห็นสภาพนี้ทั้งสองแล้วก็นึกถึงสภาพที่ ตอนที่เขามั่นคงอยู่ดีกินดีนะเขาบอกว่าเขาเคยเห็นคนที่ซื้อแซนด์วิชนะกินคำหนึ่งแล้วก็ทิ้งกัดคำหนึ่งแซนดะ์นวิชแซนด์วิชแซนด์วิชใหญ่นะกินคำหนึ่งเอ๊นะทิ้งเขาบอกเขาเคยได้ยินนะนะคนที่เขาจามจามสองสามครั้งอ่ะนะคือแทนที่จะ ก, กล่าวคำดุริแ ล, ละนะจาม ฮัมดูลิลละแทนที่จะกล่าวฮัมดูลิลมะอะไรท อ, อัลลอฮ์ะจะกอ้าอะไรก็ผัวผมก็รู้ว่าอัลลอฮ์ทำให้เขาจา้าวอ้าวบ า, ายที่ม่ทีอัลลอฮ์จะว่าอะไรกับฉันนะ่ะบอกว่าความเนรคุณน่ยมันถึงขนาดนั้นนะ่ะเขาบอกกเห็นนะ่ะสภาพคนที่ปฏิเสธความโปรดธมาในพวกช่งางเนรคุณแบบเนี้ยมันอดคิดไม่ได้ว่านี่หรือเปล่าวะ เดี يد, ن, ن, س ن. س ن. ๋ยวล่ะมาก็ฟะรัต بأن ر ล ا بال เทเน์นิยมที่ a ล l a h แทนนี่จะเห็นนิยมแล้วก็ขอบคุณแทนนี้จะเห็นนิยมแล้วก็ขอบคุณซึ่งซึ่งบ้านเราถ้าเราจะยกตัวอย่างอในพื้นที่เอาบ้านเราอน่ยสิ่งที่ a l ล a h سبحانه และเตด้ตอบแทนมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธพระเจ้านะ แต่ไม่ปฏิเสธเนี่ยมากเนี่ยไม่ปฏิเสธเนี่ยมากเนี่ยสังเกตได้เลยประเทศมีประเทศหลายประเทศเคยเป็นประเทศเกษตรกร เ, เป็นพันพันปีอย่างประเทศอียิปต์อียิปต์นะเคยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นตะ ก, กา้าเสบียง อาณาจักรอิสลามในปีที่ในปีที่18 18ป่ะอือประมาณในปีที่18 17 18ที่โจรสักการะในยุคขิลาฟะโอ้โหมารุมเนืลอเขาตอบเกิดความแห้งแล้งจนกระทั่งคนที่ข้ามสมุทรอาหรับเนี่ย แห้งแล้งมากแล้วก็ไม่มีของหากินเนี่ยยากมากจนกระทั่งคนเนี่ยก็จะต้องอาศัยกินอะไรหนมปังแห้งๆอันนจิ้มกับ น, น้ำมันจิ้มกับ น, น้ำมันเนี่ยจนกระทั่งผิวเขาเนี่ยคนที่แบบว่ากินขาดธาตุขาดอาหารห้าหมู่ใช่ปะ ว่ามันจะเห็นผลที่สีผิวอะผิวเนี่ยจะดําแต่อารับเนี่ยเขาใช้สำนวนเอผิวเนี่ยจะสีเทาคือมันก็จะไม่ดําไม่ดนะําปี้ยแต่มันก็จะคือมันจะมันมันสีมันจะซีดะชายาปีนั้นนะ่ะปีแห้งแล้งนถะึงเรียกว่าามู ร, รมาดาปีแห่งขี้เทา ก็คือสีสเทาเนี่ยมันสีเทาไงขี่เทาเนี่ย เ, เพราะอะไรเพราะมองคนเนี่ยมีแต่คนซีนดโอมโหอรนี่เขาตอบนี่สัญญาว่าจะไม่กินอะไรนอกจากเอาขนมปังจิ้มน้ำมันจนกว่าให้คนเนี่ยได้มีอาหารอิ่นส่งจดหมายไปออมริมยัลสตอนนั้นนะก็เพิ่งเป็นรัฐเป็นรัฐของที่อาณาจักร อิสลามได้ปกครองฮัมบูร์กเนลออสบอกว่าข้าพระเจ้าจะส่งสเบียงคาราวานต้นคาราวา น, นอยู่ที่มาดีนะปลายคาราวา น, นอยู่ที่อีบความที่อีบเนี่ยมีความมั่นคงในด้านอาหารนะ่ะนะปลูกข้าวสาลีเนี่ยเป็นสเบียงเขาบอกว่าเป็นสเบียงถึงขั้นดีอาณาจักรโรมันน่ะ ถ้ามีเกิดวิกฤตเรื่องอาหารนี่นะก็จะต้องอาศัยสเสบียงของอีบอียินี่มีแมน่น้ำานที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะอีบตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวสาลีอันดับหนึ่งของโลกบูกนะักข้าวสาลีได้ไม่พอ ไม่พอเทียบกับเมืองไทยอีบนี่ปูกข้าวสาลีประชากรเขานี่ก็เติบโตก็ ก, ก็ก็ไม่ไม่เยอะกว่าเรามากนักนะประเทของเขาเนี่ยก็ใหญ่โตอยู่แล้วนะแล้วโอกาสในการที่จะขยายกเกษตรคราของเขาเนี่ยก็มีอยู่แล้วประชากรของเขาเนี่ยก็ประมาร้อยล้านของเราเนี่ยก็เกือบจะสิบล้าน ไล่ๆกันน่ะแต่คนไทยเนี่ยไม่เคยอดอยากข้าวนะ่ะมีหนำซ้ําเนี่ยทุกปีเนี่ยปลูกมากขึ้นปลูกมากขึ้นพวกมานั่งคิดเรื่องนี้เนี่ยใช่เลยเพวกคนอีบในเวลาเขากินเนี่ยเขามูบาเซตมากเลยจะเป็นหนมปังจะเป็นข้าวในวเนาหัวกินนิดเดียวแล้วก็ทิง้ง กิน่ยอะแล้วก็ทิ้งแต่คนไทยเนี่ยเรื่องข้าวเนี่ยบางทีเนี่ข้าวหกเป็นเม็ดหนึ่งอิบ Meyer. สั่งตรงนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเป็นวัฒนธรรมที่แบบว่าอูกฝังกันทั่วท่วไปเป็นอุทาหรณ์ของเมืองที่ไม่ดีในระคุณเนี่ยมาที่อัลลอห์ไม่ดีในรคุณอัลลอฮ์ให้อะไรมาในรักษาเนี่ยามาไว้ ปลูกฝังกับลูกหลานนะรู้ไหมชาวนานี่กว่าจะปลูกข้าวเนะี่ยเป็นยังไงอย่าให้หกนะอย่าให้พี่ต้องลองไปดูคลิปนะังประเทศต่างๆแม้กระทั่งอินเดียเนยเวลาเขาหุงข้าวหุงข้าวเนี่ยเขาลวกข้าวทํำข้าวหมกอะไรลวกข้ า, ขาวหกนะ <c oughs> เล็กตุ่มแบะเลยก็เห็นบ้านเรานี่ที่ที่ทําอยู่ยโอ้โหพยายามระวังนั่นะอย่าได้หกนะ ย่งได้คกเลยนะแต่พนัทำไมอ่ะมันเป็นภายใต้ติดสม ก, กันเราตักข้าวนี่ตักข้าวนี่บางทีเนี่ยเรามันระวังขนาดไหนอ่ะนี่นี่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะที่อัลลอฮ์ให้นะแล้วมันเป็นเหตุผลเพียงพอตามตัวบทที่อัลลอ์สอนไว้เนี่ยที่จะรักที่อัลลอ์จะรักษาเนี่ยมาไว้ให้กับเรา อันนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะไม่มีเส้นสายนะว่าอ๋อนี่พวกนี้มุสลิมแล้วพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมพวกไม่ไม่เกี่ยวในด้านกฎเกณฑ์นะอัลลอฮ์สุบฮานาอูวาดะเราก็จะยุติดทำแต่ก็มันก็มีเรื่องอื่นในเรื่องเรื่องพื้นที่อย่างบ้านเราเนี่ยที่เนรคุณอัลลอฮ์ในเรื่องอื่นๆอย่างเรื่องศิลธรรมหลายอย่างที่มันถูกละเมิดล่วงเกินอัเราก็เลยลงโทษ ลงโทษมาให้เห็นเห็นในเรื่องบางเรื่องนะนซึ่งความมั่นคงในด้านวิถีชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถวัดด้วยไรายได้ของประเทศหรือความเจริญเติบโต ของผลิตพัน์ของประเทศหรือแม้กระทั่งด้านความสุขสบายที่มาจากเทคโนโลยีญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีไรายได้อันดับสามหรืออันดับสี่ของโลกแต่อันดับเป็นติดอันดับหนึ่งของโลกของคนที่ฆ่าตัวตาย แล้วคนที่ฆ่าตัวตายนี่เขาไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่เพราะอดอยากโอ้นี่เขาเครียดไม่มีจะกินไม่ใช่แต่คนที่ฆ่าตัวตายนี่ก็คือคนที่มั่งคัง่งเทียบแล้วเทียบแล้วเอาแค่แค่เมืองไทยอ่ะนะเทียบแล้วคนที่ฆ่าตัวตายนี่คือคนคนที่ฐานะเขาดีอ่ะมีไรายได้ดีอ่ะไรายได้เขาดีกินดีอยู่ดี <c oughs> นี่ค่ะทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุ ในการที่จะหยิบยกตัวอย่างของความโปรดปรานบางอย่างอย่างเช่นความโปรดปรานในภาพรวมเห็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุลฮานาอัลลอให้กับกับประเทศบางประเทศที่เคยมีความมั่นคงในสังคมด้านด้านครอบครัว ขอขอล่วงเกินในการละเลยหน้าที่ของครอบครัวซึ่งในโลกมุสลิมเนี่ยก็มีตัวอย่างเยอะให้เห็นว่าการนิกายการแต่งงานมีคู่ครองมีสามีภรรยาไม่ได้รักษาซึ่งหลักการศาสนาไว้เตตนารมของพระเจ้าในการที่จะมีครอบครัวยิ่ง ยิ่งปล่อยปะละเลยไม่ได้แต่งงานกันเพื่อก็ตั้งสถาบันเที่ร์ลัทธิวานวานะัตตาลพ่อพระไทยหรือลับโปรดปรานทาให้ติดอันดับของโลกไว้เทศ ด, ดีติดอันดับของโลกในการยารางแต่งกันสาวันนะ่ยะยากแต่งกันแต่งกันสองชั่วโมงนี่ยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านนะ่ะนะตัว มามารับลูกสาวไปโทรไปหาพ่อมารับลูกสาวไปฉันอยาละโอ้เรื่องนี้เดี่ยยมากในสังคมมุสลิมมาติทอารับก็เป็นผลสืบเนื่องจากการเนรคุณเนี่ยมากของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งที่เราไม่รู้สึกว่าการที่มีครอบครัวนี่เป็นเนี้อมาก การที่ Allah อำนวยความสะดวกให้ได้สามีสามีมีภรรยามีตรงนี้ถือว่าเป็นเนีมม้านะแไม่รักษานีมมานี้เนี่ยจนกระทั่งจะหาความสุขในการสร้างครอบครัวเนี่ยหาไม่ได้ทั้งนี้อาย์เนี่ยเธอจะตีความง่ายๆโดยอธิบายจากอุทาหรณ์ที่ Allah سبحانه และ تعالى ได้ ยกไว้ในอายะ อ, อื่นๆก็คืออัลลอฮฺาการุณาและปโปรดปรานแล้วเขาก็ได้ปฏิเสธใน่ขอบคุณเนียมาของอัลลอฮฝ่าฝืนหลักการศาสนาในเนียมานั้นๆนอัลลอฮก็เลยลงโทษในรูปแบบที่เราได้ยกตัวอย่างไปข้างต้นนี่ก็คือรูปแบบของความความสุขสบายอ่ะ แต่ที่จริงไอายะเนี่ยมันตีความได้กว้างกว่านั้นะเพราะเนี่ยอามาของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวิถีชีวิตในด้านวัตถุอย่างเดียวไม่ใช่ความสุขสบายเรื่องการกินอยู่อย่างเดียวมีเรื่องอื่นด้วยมันมีเรื่องอื่นด้วยถ้ายกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้ทั้ง เหตุการโรคโรคระบาดมัสยิดเป็นนามะมสิดนี่เป็นนามะมัสยิดนี่เป็นนามะที่ยิ่งใหญ่มากเลยการนี้มาแล้ามาที่มัสยิดนี่นะสําหรับผู้ศรัทธาหรือคนที่ไม่ต้อง إ ม م ا ن ไม่ต้อง แถวๆขนาดไหนอ่ะนะใครๆก็รู้คุณค่าวต่ตอนตอนที่แบบว่าชีวิตเนี่ยมันตันแค่ไหนนี่แล้วก็มามสสิ น, นี้ก็ต้องเจอแหละความสุขสบายเจอความความราบรื่นมันเป็นพื้นที่ในการที่จะพูดคุยกับลอสบาโนตาล้วยังมีความสุขยามที่ เขาให้ไปมัสยิดเมื่อไรก็ได้มีอาจารย์ยกอาจารย์เจิญชวนมามัสยิดทุกเวลาเราไม่เอามารุกระบาดมาแล้วนั่นถึงจะบ่นกันะพอรู้คุณค่านะเริ่มเห็นคุณค่าแล้วงอยากจะไปละบาดมัสยิดอยากจะไปละมาจุมายแต่เขาไม่เห็นละมามันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกัน ว่ามันเคยเป็นเนวมะที่อัลลอ์ให้มาแล้วเราทีบออกมาะมสคิดจะใมีน่บางทีเนี่ยบางพื้นที่นี่นะโอ้โหนี่ยมัสยิดนี่สร้างกันอย่างดีทุ่เทสร้างกันนไม่สุขไม่สักไม่อะะยิ่งก่อนโควิดนี่เนี่ยกลายเป็นแฟชั่นแล้วนะมัสยิดติดแอ ไปไหนนุ้ยก็มัสยิดดีแต่เำหรับสนับสนุนนะตอนนั้นผมก็สนับสนุนนะกิจแต่คนก็จะได้ชอบ ม, มามาสยิด <c oughs> ไป ม, มัสยิดนี่ไม่ไปพอถึงเวลาปิดมสัสยิดแล้วจะรู้โอ้นี่ะคุณค่าคุณค่าการที่แค่มีมัาายมสยิดให้ไปเอง แล้วก็ไม่ไปคนที่อยากจะไปมสัสยิดในตอนนี้โอ้มสัสยิดใกล้บ้านนี่ไม่มีเปิดเลยต้องขับรถเป็นกิโ ล, โลนี่จะได้ไปละมาที่อื่นหรือหรือในยามปกตินี่นะให้ไปมสัสยิดอย่างอย่างเปิดเผยไปใบแบบไม่ต้องแอบแอบนะคือใบแบบเปิดเแบบดถูกต้องไง แต่ตอนนี้นะ่ะบางพื้นที่เนี่ยไปมัสยิดบเหมือนเหมือนไปแอบ อ, อกนวดเลยนะตวไปแล้วมัเ จ, จะมาหาติยาบอกวนะ่ามีแล้วนะมีคือมันอดคิดไม่ได้อั น, นี้มันเป็นบทลงโทษหรือเปล่าล่ะแล้วมาดย่งก็ททำบาปกันนะ่ะนะ ก็ตับนเอาไปแล้วก็เหมือนกันได้ปฏิเสธนียมากที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วมีคุมุ่งยห้รันเนียมาจะอนามาฮัลละก็อัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนเนียมากใดๆที่อัลลอฮ์ให้ไปแล้วนี่นะที่อัลลอฮ์โปรดปรานไปแล้วนะจนกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนจากอะไรจากคนที่ต้องกตัญญูจากคนที่ต้องสวามีพักจากคนที่ไม่ฝ่าฝืนคนียอมรับในหลักการยอมรับ ปฏิบัติเคร่งไม่เคร่งนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ยอมรับในหลักการยิ่งพูดถึงเรื่องอื่นนะ่นะการที่สังคมมนุษย์เนี่ยอยู่ในอยู่ในรูปแบบชีวิตที่มันอิสระอิสระเสรีทุกเรื่อง จนกระทั่งประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเสรีนิยมเสรีนิยมบ้านเราเนี่ยข่าวเข้าจริงนะเป็นประเทศที่เสรีนิยมนะแต่หนนรักนิยมไม่ค่ยมีหรอกมีน้อยเป็นประเทศที่เสรีนิยมใครจะทำอะไรก็ทำแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นเสรีนี่อยู่เรื่องท่องเที่ยวรเรื่องเรื่องกินสุราเรื่องบอลคาสิโนเรื่องสนามมุงสนามมวยสนามอะไรล็อกหมดมันอดคิดไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าเราไม่อยากจะคิดมากเกินไปในเรื่องเรื่องที่ความสุขที่มันที่มันเป็นเรื่องวัตถุ เราอยากเราอยากจะมาตีความเรื่องเนี่ยมากที่มันเกี่ยวกับนามธรรมเรื่องนามธรรมที่มันหลุดไปจากมือของเราด้วยกันในรคุณด้วยกยันปฏิเสธเนี่ยมากคองลัทธิสุภาษิเพราะเรื่องนี้เนี่คนส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยคิดไม่ค่อยเห็นข้อแตกตา่างเช่น <c oughs> คนเราเนี่ยเวลาทำบาปอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ทำความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะผูกพันบทลงโทษในการทำความผิดเนี่ยกับเรื่องการกินอยู่เช่น เ, เราไปไปทำอะไรกับพ่อแม่ไม่ดีอะ เราอยู่ที่ทํางานเนี่ยเจ้านายไล่ออกมานี้เนี่ยเราะอันนี้เพราพ อ, อะไรเพ่าเราไปไปดุพ่อแม่ไปอคือเรามักจะมักจะเห็นว่าไอ้เรื่องที่มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่มัน ท, ที่มันสุขสบายอ่ะนะนั่นนคือรางวัลที่อัลลอฮ์ให้มาอัลลอฮ์รักเราเนี่ยอัลลอฮ์จึงให้เราได้สุขสบายในเรื่องไรายได้เรื่องการกินอยู่ถ้าเราบกคล้องในเรื่องนี้นี่แสดงว่า น, นี่คือเรื่องลงโทษแต่ที่จริงไม่ใช่ บางที่เนี่ยเราทำบาปนะโทษที่อ Allah จะให้มานี่มันก็คือทำบาปอีกเช่นไม่ละหมาสบวตตั้งนาฬิกาจะตื่นนะนป่ตื่นแปดโมงไม่ละหมาสบว์นี่คือบทลงโทษนะถ้าหากว่าคนที่แบบว่า เคยชินกับเรื่อง น, นี้ตลอดชีวิตเนี่ยก็ไม่เคยดื่นแล้วมาสุบก็าอาจจะไม่รู้สึกว่ามันมันจะเป็นบทลงโทษยังไงก็เหมือนคนทุกคนนี่ยนะถ้ากว่าถูกลงโทษ ด, ด้วยโรคอะไรสชนิดหนึ่งอะนะแล้วเขา อ, อยู่เขาเคยชินอยู่กับโรคนี้แหละก็ต้องกินยาทุกวันหรือต้องไปโรงพยาบาลไปฉีดยาทุกวันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้สึกแดืดอร้อนละ แต่เทียบกับคนอื่นเนะให้ไปฉีดยที่คนเคยปกติธรรมดานะสุขภาพแข็งแรงนะให้ไปฉีดยาเดือนละครั้งเนี้เขาก็รู้สึกเดือร้อนเดือนละครั้งนี้ก็เร้อนแต่สําหรับคนที่ชินแล้วชินแล้วกับการฉีดยาวันละเข็มวันละเข็มอย่างนี้มึงที่ก็ฉีดที่บ้านเองอะไรเลยไม่รู้เดอดร้อนเลยไม่ละหมาดสำหรับคนที่เขารู้คุณค่าขงกันละหมาด แล้วรู speed, ้ว่าการที่อาม่าไม่ตตาฟีดไม่ช่วยเหลือไม่เอื้ออํานวยให้เข้าเฝ้าเราหว่านเอาว่านี่นี่นี่คือการลงโทษนี่คือการยึดเนื้อมัดอย่างหนึ่งแต่เราคนละหมาดสม่ำเสมอเนี่พอพลาดละหมาดละหมาดอยู่มะฮะสม่ำเสมอเนี่ยพอพลาดไปจุู่มะฮะอยู่มะฮะนี่ทุกจุู่มะฮะนี่ก็จะต้องเข้าก่อนอิหม่่นขึ้นมิ่บ้านครับ มาดูมาหน่งไอ้มามขึ้นขุดบ้าไปแล้วครึ่งชั่วโมงเขาจะรู้สึกวขาโคดังมันมีมันมีสิ่งที่เราบกพร่องหรือเปล่าพูกเราจะต้องพยายามค้นหาในชีวิตของเราเนี่ยการลงทุนที่ที่มันนอกรูปแบบ เรื่องที่มันไม่ใช่แนวไม่ใช่การลงโทษที่คนเขามองว่าเรื่องคลาสสิกทั่วทั่วไปอนาการลงโทษนี่คือเรื่องที่มันจิบปวดนะลงโทษด้วยการเป็นโรคชนิดหนึ่งด้วยการรถชนด้วยการขาดอะไรได้หรือะไรแบบเนี้ยเป็นบอลอทั่วไปเป็นการลงบทลงโทษทั่วทั่วไปแต่สิ่งที่พวกเราเนี่ยค่อนข้างขาดโอกาสในการที่จะคนคิด ไม่มีโอกาสอ่านคุรานไม่มีโอกาสาศึกษากุรานกีม่มากน้อ ย, อยประชาชนที่เขาผ่านพ้นเป็นเดือนเดือนไม่ศึกษายังรู้คุรานเลยแล้วเขาไม่รู้สึกอะไรเลยทีหจริงมันคือการลงโทษอย่างหนึงการลงโทษที่มนุษย์มนุษย์มีชีวิตทั้งปีนะนะแล้วก็ไม่เคย ไม่เคยเข้าไปดูเลาสุพนรณนวราเ่าพูดคุยอะไรกันครับอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะพอที่จะเล่นมือถือได้ดูทีวีดูทุกอย่างได้ทั้แต่สิครุลอ์แค่แต่น้อยนิดการลงโทษบทลงโทษอย่างการนี้เราได้มีโอกาสเห็นอะไรสวยงามอะไรหลายอย่างแล้วก็ชื่นชม คนที่ประดิษฐ์ทำสิ่งสวยงามเหล่านั้นน่ะแต่เห็นสิ่งสวยงามที่เลาสร้างขึ้นมาเนี่ยล้วก็ไม่นำลึกถึงผู้สร้าง น, นี่คือการลงโทษอย่างแต่เราเราเนาะเห็นมือถือแบอออบเก่งว่าคนที่ทำนี้เก่งว่าเจอ เราเห็นว่สวย่คนทำรถสวยแินี o sigui ่แค่คนล้างก็แุ้ยคนีล้างรถด้เก่งนสร้างได้เก่งคนทากับข้าวเราอร่อยเก่งทุกคนแต่เราชื่ชมตลอดแหะแต่เราบปเห็นธรรมชาตินธรรมชาติอีกเหรอแค่ลงดุนละสุบฮานอัลลอฮแค่กาลงดุนะสุบฮานอัลลอฮ์มา خلق แต่ هذا باضلمة ช่นชมมุส ويفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها ذ ا ماضي. فبنكتم الله ي ن ي ت ش ن ชม صانع. هذا ر ك ت ي ซึ่งมันแฟที่สุดแล้วนะชื่นชมทุกคนี่ที่เห็นอะไรดีๆสวยๆนชื่นชมแต่พอมาถึงอัลล์ลืมอัลล์ีหอย่างแต่คถามว และการลงโทษนี ي ي ا ا ب ب ่ที่อัลลอ์บอกว่าละมีคุมุกร์รันเนียมะตันอันอามาลาทั้งๆถ้ายูกลรอัลล์จะไม่เปลี่ยนจนเขาจะเปลี่ยนตัวเองนั่นหมายรวมว่าโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณของทุกคนนี่นอัลล์บันดาญใจให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพที่กตัญญูต่ออัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เสมอศัทธาถึงอัลลอฮ์เสมอ การเปลี่ยนสภาพเนี่ยนี่คือน้ำมือของมนุษย์สอดคล้องกับการที่สงท่านนีคุณลุมอาลู่ดินอยู่ละตัวนั้นคือธรมมะทุคนเนี่ยเกิดมาคือตามสัญชาตญาณของเขาเนี่ต้องเกิดมาเนี่ยพร้อมความสะอาดด้านความสะอาดอาบวาอูยูหูดานิเอวุณสุรานยเอวุณิสานิสิ่งว่าลามนี้ที่จะเปลี่ยนเขาและเขาเนี่ยคอยตาม แต่ทุกคนเนี่ยมเล็ดมล็ดมล็ดความดีของเขาอะนะสามารถที่ทำให้เขาเนี่ยฝืนกระแสได้เชเช่นโครงสร้างของมนุษย์นะถ้ามนุษย์เนี่ยไปเกิดกับหมาป่ามนุษย์เนี่ยเกิดกับหมาป่าเห็นพี่น้องของมันเนี่ยที่เป็นหมานี่นะใช้ขา สี่ข้างอ่ะค่อยเดินแล้วมนุษย์เนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเห็นพี่น้องของเขาก็ต้องเดินเหมือนเหมือนมันอ่เหมือนเหมือนหมาป่านะ่ะมนุษย์ยังพอมีสติที่จะดูโครงสร้างของตัวเองว่าเฮ้ยมือกูกับขามันมันไม่เหมือนกันน่ะเราไม่ควรที่จะเดินแล้วก็มันไม่สะดวกด้วย มันคือสัญชาตญาณมันคือสัญชาตญาณที่เราสามารถค้นหาในตัวเองได้แต่ก็ต้องมานั่งคิดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ท่านนาบีพูดในฮะดิษเนี่ยอาบ่าวะฮุก็แม่เขาหนี่จะเปลี่ยนศาสนาเขา หรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของของตัวเองอะนะหายถึงว่าตัวเองที่จะเปลีป่ยงเบนในเรื่องสิ่งที่มันถูกต้องไปยังสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นบิดพิวจากสภาพคนที่ต้องรำลึกถึง เหตุผลต่างๆที่จะทำให้สติปัญญาเนี่ยให้ควรกับสิ่งธรรมชาติที่ Allah สร้างไว้ซึ่งมันชวนคิดแน่นอนแต่เราพยายามที่จะเบียเบเบ่ยงเบนเบี่ยงเบนธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติรราตรราตพอเจอรถเบนส์้คนเยอรมันเก่งเหาททำไมไม่ธรรมชาติบ้าง ทำไมไม่ธรรมชาติบ้างนะไอร้รถไอ้โตโยต้าไคนญี่ปุ่นนี่ยอดไอ้ไมไม่ธรรมชาติบ้างนะโครงสร้างธรรมชาติทั้งหมดนี่นะพยายามที่จะห น, หนีหนีสัญชาต่ายานของตัวเองว่าคือต้องมีผู้สร้างเอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงด้วยน้ํามือของตัวเอง ในอันนี้ในในภาพรวมของเรื่องคดีใหญ่ๆ่นในสังคมที่เราควรที่จะคิดบ้างแล้วก็เชิญชวนถ้มีโอกาสคุยกับคนอื่นแล้วก็ชวนเชนิญ ช, ชวนเขาคิดโดยเฉพาพี่น้องต่างศาสนาถ้าในมีโอกาสสนิทสนมกับใครก็เชิญชวนคิดแบบเนี้บางทีมันไม่ต้องไปโต้เถียงอะไรมากมายกับมนุษย์ ทำไมเอมนุษย์มีเหมือนเหมือนดินมนุษย์ได้เหมือนดิ น, น, น, ดนทำอะไรอ่ะโยนมเมล็ดไปแล้วก็ไว้รดน้ำบางเอ่ญบางทีก็ไม่ต้องรดน้ํานะบางทีฝนมันตกเองทำหมายถึงว่าเราโยนมเมล็ดแล้วเข้าไปได้น้ํามาจากที่อื่นแต่ขอให้เราได้ดินเราต้องทําอะไรกับมันแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยอนี่ยนะมันก็ดินมันก็จะเป็นดินอย่างเดียว ถ้าเราโยนมล็ดมเมล็ดเนี่ยกับคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยไม่ต้องโตเถียงกันอะไรมากที่เนี่ยฝากเรื่องเชิญชวนคิดเรื่องเดียวอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ไม่ต้องโตเถียงเพราะมาล็ดแห่งความดีเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วมันก็จะพาเขาไปสู่ศัจ ธ, ธรรมด้วยตัวเอง โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแต่ทั้งนี้มันมีเรื่องอื่นที่เป็นดีเทลแล้วก็เป็นรายละเอียดในชีวิตที่เป็นบทเรียนของอายะเนี่ยที่เราควรเอามาเอามาวิเคราะห์เสมอเพราะอายะนีมน่มันพูดพูดได้เยอะแล้วมันเป็นอุทาหรณ์ที่เตือนสติเรา <c oughs> ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในหลายรูปแบบที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงสภาพความโกรดปราณความกรุณนกระวายของเราสุภาณวาุฒาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีอยู่สองรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนหนึ่งเรื่องเรื่องการเรียนรู้การศึกษา มนุษย์ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวในในด้านการเรียนรู้การศึกษาแน่นอนมันต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาการเรียนรู้การศึกษาที่ผมพูดถึงนี่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเข้ากระบวนการการศึกษานี่หมายถึงต้องเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนปริญญาไม่ใช่มันถึงค้นหาความจริงศึกษาเรียนรู้สัจธรรมด้วยตัวเอง ในรูปแบบทุกรูปแบบอะไนี่เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองและมันเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของมนุษย์ทุกคนมนุษย์ที่ไม่ยอมไให้ตัวเองเนี่ยไดพัฒนาการเรียนรู้การศึกษาของตัวเองเนี่ยแน่นอนอดความกรุณาอดเนียวมากอะไรต่างๆมากมาย เราเห็นตัวอย่างของสังคมมนุษย์ปัจจุบัคนที่ไม่ได้เรียนคนที่ไม่พยายามไม่พยา ย, มยามแข่งขันในการในการศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็มี ม, มีมีโอกาสสูงอะแหะที่จะอดเรื่องอาชีพเรื่องรายได้เรื่องอะไรต่างๆนะนะมันมันเป็นรูปแบบแข่งขันสูงมากด้านการศึกษาเรียนรู้ความแตกต่าง ระหว่างประเทศชาติระหว่างอรารยธรรมของมนุษย์เชื้อชาติทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นชัดประเทศที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาปเปอร์เส็นต์จีดีีของเขาในการทุ่มกับการศึกษามันบ่งชี้ถึงความเจริญในทุกด้านของประเทศนั้นประเทศนั้นจะทุ่มเทในการสร้างโรงเรียนในการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ มันมีผลกับคุณภาพคุณภาพปัญญาของมนุษย์ตลอดจนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในประเทศนั้นๆอย่างเห็นอย่างปฏิเสธไม่ได้แต่ในทำนองเดียวกันนะนะสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เขาที่เขาตรวจสอบกันการศึกษาที่เขาพูดถึงการศึกษาด้านวัตถุาถศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเรื่อง วิชาต่างๆที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเจริญเติบโตด้านด้านวัตถุแต่ในทำนองเดียวกันนะการที่จะให้มนุษย์เนี่ยการเป็นแบบในเรื่องศีลธรรมอันนี้เหมือนเขาไม่ไม่อยากจะยอมรับนะว่ามนุษย์ที่ไม่ยอมค้นหาเหตุผล ที่จะให้เขาเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเช่นที่เขาพัฒนาตัวเองดีขึ้นในเรื่องการศึกษานะไม่มคน้มคนหาศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองในด้านกาในด้านศีลธรรมคะแนนสูงในเรื่องรายได้เพรา ะ, ะศึกษาวิชาการต่างๆเทคโนโลยีนี่ก็สูงรายได้สูงแต่ประเทศชาติเนี่ยสอบตก ด้านศิลธรรมเพออราะอะไรอ่ะเพราะขาดการเรียนรู้เรื่องศิลธรรมไม่ได้ศึกษาเรื่องศิลธรรมศิลธรรมในมุมกว้างไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวนะในมุมกว้างเป็นเรื่องที่เราสามารถสัมผัสได้ในในในโลกปัจจุบันนระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศ ที่กำลังพัฒนาหรือประเทศยากจนประเทศบางประเทศอนี่ยากจนก็จริงนะประเทศของเขานี่ยไม่มีตึกสูงไม่มีโรงงานเยอะไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่สภาพชีวิตของเขาอะไม่มีอัชญรกรรมไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความขัดแยง้ง ด้านความคิดอันที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกแล้วก็ความทุกข์ทรมารระหว่างมันด้วยกันนะเพราะเขาไม่มีเงื่อนไขของของการศึกษาการศึกษาที่มันยึดเรื่องวัตถุอย่างเดียวเขามี mm hmm. เขามีความเพียงพอในเรื่องในเรื่องศีลธรรม เราไม่พบอ่ะนะประเทศอย่างประเทศยกตัวอย่างประเทศชาติประเทศมาลีประเท ศ, เท ศ, เทศไตเจอซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ภาคกลางของแอฟริกาเนี่ยสังคมมุสลิมที่นั่นนะ่ะนะไม่มีนะอัตราการหย่าร้างอัตราการขโมยอย่างเงี้อยอาชญากรรมนะต่างๆอ่ะไม่มีเลยทำไมอนะ่ะ มุสลิมที่นั่นนะ่ะนะส่วนมากเนี่ยท่องจำคุรันท่องรูทัง้งเล่มโรงเรียนฮาฟิตเนี่ยไปดูประเทศในเจในเจอร์หรือประเทศมาลีเนี่ยเขาไม่รอที่จะต้องสร้างโรงเรียนนนอาคารใหญ่เป็นสิบสิ บ, สบล้านนะ่ะมโรงเรียนฮาฟิดนี่ห้องเดียว ตอนกลางคืนนะเป็นคอกแพะตอนกลางคืนเนะี่ยเป็นคอกแพะเจ้าของแพะเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยแต่เช้ามืดเลยนะเอาแพะไปไปไ ป, ไปหากินไปกินหญ้าไปกินอะไรคอกแพะนี่มันก็จะว่างเด็กก็จะมาใช้ห้องเนี้ยในการท่องจำากุรอานพอห้องนี้ไม่พอล้นมาที่ถนน มีคลิปอันหนึ่งอนะที่ดูอะนะโรงเรียนอาวิทนี่ก็คือห้องหนึ่งห้องเดียวนะอนรรนะนะที่เขนะาเป็นที่เขาสอนกุศานะนะและที่รถนี่นะก็มาปูศาจด้านเนี่ยตามถนนแล้วครูเขาก็สอนตามถนนนะถ้าบ้านเรานี่มีโรงเรียนแบบนี้เนี่โอ้นี่ทุกเลียนอะทํากันเองเลยเรียนตามถนนเนี่ยแต่เด็กที่เขานัง่งต้องํากุอศล เขาไม่ส <anya> ึกทุกอะไรเลยนะแล้วเขาไม่ได้บ่นไปไปเขาไม่เคยเลยนะคือมีคนที่เขาไปไปดาวาแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้โดยบังเอิญอ่ะเขาไม่เคยเขียนจดหมายโอ้นี่เขาแย่มากเขาต้องต้องจงกุศลดามถนนถนนแล้วเขาแย่มากขอทุนหน่อยมั้เขาไม่เคยทำแบบนี <cuad ric i> ้เขาอยู่กันอย่างนั้นหมายถึงวีดีชีวิตเขามีความสุขของเขาอย่างนั้น การเรียนรู้ศิลธรรมของเขาเนี่ยมันอยู่ขั้นสูงถึงแม้ว่าด้านวัตถุด้านเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นประเทศประเทศอู้ล้าหลังเป็นประเทศที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันสมัยเลยบางทีเนี่ยมาตรฐานเนี่ยเราเราแพ้ ม, มาตรฐานนี้เนี่ยจนไปเน้นเรื่องวัตถุเกินไปให้ระบบการศึกษาที่มันจะเปลี่ยน แปลงสภาพสภาพการไร้ศีลธรรมของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีความสําคัญในสายตาของเราฉะนั้นสังคมของเราเนี่จะแย่เรื่องศีลธรรมครอบครัวเนี่สนใจที่จะให้ลูกเดี๋ยวต้องเรียนสูงต้องมีไรายได้ที่ดีต้องมีรถมีบ้านมีอะไรแต่ไม่สนใจว่าลูกเขาจะละหมาดไม่ละหมาด เขา อ, อ่านฟาติหะเป็นไม่เป็นละหมาจนาซาเป็นไม่เป็นนี้เขาเขาไม่แข่จริงจริงไหล่ะเรื่องเนี้สยสนใจที่จะให้ลูกนี่ไปเรียนโรงเรียนดังๆกันนี่นี่จะจ่ายใต้โต๊ะนี่จะได้เรียนเรียนโรงเรียนโรงเรียนนี้เขาจะได้เรียนแล้วก็ เรียนสูงเรียนมีเพื่อนเป็นนายกเพื่อนเป็นรัฐมนตรีเพื่อ น, เ ป, น, น, เ, อนเป็นดาราเป็นอะไรแล้วก็ลูกในโรงเรียนเนี่ยจะละหมาดได้ไหมจะอ่านคุณอ่านเป็นไหมไม่ดีกว่ในบริบทลูกเนี่ยต้องเรียนคณิตศาสตร์เอาคูมะติวภาอังกฤษติวตังกุยชาย <c oughs> ้าอ่านคุฎอ่านอ่านไม่ออก ไม่ไดีอยู่ในบริบทมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดจากน้ำมือของเราเนี่ยทำให้สภาพของสังคมมุสลิมเนี่ยโลกมุสลิมเนี่ยได้ตกตำ่ำ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่ตามประวัติศาสตร์เนี่ย ถูกสนันนิษฐานนะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่บุกเบิกคุ้มครองศาสนาอย่างประเทศอาหรับอย่างงี้เจ้าของภาษาของคุรานน่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบว่าแหล่งพื้นที่ที่ปกป้องศาสนาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว ตอนนี้ในมันไม่ใช่แล้วจํานวนคนที่ท่องจํากุรานมากที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกอาหรับไม่ด้อยู่ในเชื <Programs> ้อชาติอาหรับอยู่ในเชื้อชาติอาญำคนที่ไม่ใช่อาหรับจํานวนคนที่พูดภาษาอาหรับชัดไม่ได้อยู่ในโลกอาหรับทั้งนั้นที่อาหรับเนี่ยเขาพูดภาษาอาหรับนะแต่สำเนียงอาหรับเขาเนี่ยคืออาหรับพื้นบ้านเนี่ยที่มันเพี้ยนไปเพี้ยนมาเนี่ย แล้วก็มีหยิบยืมภาษาอื่นๆนะจนกระทั่งอาหรับบางคนเนี่ยก็เหมือนบ้านเราเนี่บางทีเนี่ยพูดสี่ห้าประโยคนี้ไม่มีภาษาอาหรับสักคำหนึ่งเหมือนคนไทยเนี่ยบางทีเนี่ยมานั่งสนทนากันเออเดี๋ยวอยู่มาแล้วก็เราไปปรากฏว่าที่คุยเนี่ยไม่ภาษาไทยเลยที่คุยนี่ยอังกฤษดังนั้นนะอะอาหรับก็มีแบบนี้เหมือนกันนะ คุยคุยกันนะอยู่ไปอ่าไม่มีภาษาหรับสักคํานึงเป็นอาหรับแท้ๆนะพูดไม่รู้เรื่องแต่คนที่เรียนรู้ภาษาหรับแล้วก็พูดอาหรับชัดในเดี๋ยวนี้ยไม่ดีอยู่ในโลกอาหรับอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่อาหรับอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะประเทศที่ถือว่าอันดับหนึ่งของโลกในการ อนุรักษ์อักษรอารับที่เราเรียกกันว่าวิชาคดคดเนื้อศิลปะการเขียนภาษาอารับนะวิชาียครับไปที่อะไรรู้ไหมตุรกีไปทีตุรกีใครในในปัจจุบันเนี่ยใครอยากจะเรียนวิชาคด และได้สนัดด้วยนะได้อิยาซ่าเนี่ยได้สายร่งงา น, นถึงบบบว่ า, าคนรุ่นก่อนนะับร้อยร้อยปีที่เป็นแบบว่ า, า, าต้นตำรับของลายต่างๆของภาษาอารามนนะต้องไปตุรกีไม่ได้เชื่อเลยไม่ได้ชื่อเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่อาหรับเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของประแสประสาทแท้ๆเนี่ยนะจะเปลี่ยนแบลงเนียมมไม่อนุรักษ์ไม่รักษาเนียมมาที่อัลลอฮ์จนสุดท้ายอ่ะนะอัลลอฮ์ก็ได้ยึดเนี่ยมมาไปก็เลยมาถึงจุดที่เราต้องต้องนํามาเป็นบทเรียนแล้วก็ทิ้งท้ายไว้อัลลอฮ์สุบฮัยนะวะตาอัลลได้บอกว่าเนี่ยก็อานเนี่ยอย่างอื่นๆว่า การที่ปฏิเสธเนี่ยมากเนี่ยมันมีผลพวงมาเนี่ยก็คือการที่ a l l a จะยึดเนี่ยมากแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงไป <c oughs> อายะอื่นเนี่ยเราได้เตือนเตือนคนที่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยมาโดยเฉพาะเรื่องราวของศาสนาและก็ศีลธรรมเนี่ยว่าถ้าเขาทำแบบนั้นแล้วเนี่ย a l l ก็จะปฏิเสธเข้าไปแล้วก็ เชิญชวนกลุ่มชนอื่นมาทำหน้าที่ดูแลศาสนายะไอยูอันลดีนไม่อยากรัดมิ่งคุมอันดีนี่ผู้สตาทั้งหลายผู้ได้หันหลังให้ศาสนาของเขาแล้วใช่แล้วจะฝ่ายที่ละบิควอมนุยพบูมยูฮิบูน่ะนั่นน่ะนา่นน่ะมารสนกุ่มชนที่พระองค์รักเขาและเขาก็รักองค์ أدلة ت على المؤمنين أ ع ز ة ن ا على الكافرين. وملامر راع م و ا م كم كع ا ب و ن ر كون. และมี ا م ามน ط บน้อมถ่อมตนต่อผู้ศ ه د و ن في سبيل الله طعسون عن و َ ه ولا يخافون لو م ت ل م แลَก็ ا ม่ م ลัวข้อตำห ا ิใ สุรานสุดมุฮัมมัดว่าอินเตตาวลาพวกเจ้าเนี่ยผิหลังคือผิหลังไงหลักการยิ่งถ้าไดิลเข้ามันไอ้เราก็มันเราก็จะเลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มชนอื่นมาทําหน้าที่แทนพวกเจ้าซุ่มมาแลยวกูนูอัมเสดแล้วก็แล้วพวกเขาก็จะไม่ไม่ประพฤติปฏิบัติเหมือนพวกเจ้าที่ที่ได้ผิหลังให้หลักการอ้ยนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำคัญสําหรับ คนทุกคนเนี่ยที่อยากจะเรียนรู้คุณค่าของอะไรที่อัลลอฮ์ให้มากับมือให้มากับชีวิตเนี่ยลองดูเราใช้เวลานิดนึงในการค้นหาเนี่ย ม, มาต่งตางๆที่อัลลอฮ์ให้มาทุกอย่างเนี่ย ม, มาทุกประเภททุกชนิดโดยเฉพาะในยามวิกฤตยามโรคระบาดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะให้เราทบทวนในเยอะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเวลาหนึ่งปีเนี่ยมันต้องใช้ชีวิต ไม่ต้องใช้อายุไขนี่ยาวนานจะได้มานั่งโอ้เนี่ยเมื่อสามสิบไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยโควิดเนี่ยก่อนหกสามมันะนะแค่คนคนที่มีพอมีปัญญาที่จะนึกได้อะนะก่อนหกสามแล้วก็หลังหกสามเนี่ยก่อนปีก่อนโควิดแล้วก็หลังโควิดเนี่ยมันมีอะไรที่น่าศึกษาเรียนรู้ทุกคนนี่ก็สามารถก็สามารถเรียนรู้ได้ นั่งฟังลูกชายผมนีปิดโรงเรียนแล้วเขาให้เรียนออนไลน์เขาก็บ่นบนกันบอกว่าแค่เรียนกันในห้องนีงก็แทบไม่เข้าใจและยังจะมาออนไลน์รู้สึกรู้สึกเย่ลงเนี่ยแม้แต่นั่งเด็กเด็กก็ยังเห็น ความแตกต่างกันเนี่ยมากที่เคยมีนะอยู่กับโรงเรียนมีห้องเรียนมีครู ม, มีเพื่อนมีอะไรอะนะแล้วทุกอย่างมัอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยโอ้ยกระหิงดองอทุกอย่างนี่มันสามารถเห็นได้ในช่วงช่วงมกรษเนี่เราควรช่วยโอกาสวนกันไตรตรองทดทวนอายเนี่ก็มันจะมักจะ ถูกหยิบยกหยิบยกมามาเตือนสังคมโดยรวมเพราะเราอะไรเราให้รวมเป็กลุ่มห น, น, นุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนแต่ที่จริงเนี่ยมันก็หมายถึงว่าตัวตัวเราด้วยอนะตัวเราด้วยเราเคยเราเคยมีอะไรดีๆเตี่ยร่าย ม, มาเราเคยละหมาดมีความสุขเราเคยอ่านคุณอ่านมีความสุขเราเคยทําความดีอะไรมีความสุขแล้วก็มันหลุดไปจากมือเราไหมเรามันหายไปไหม แล้วมันเสียดายไหมมันก็มันก็อยู่ในข่ายของอายะเนี่ยอีกคที่จะมาเตือนสติพวกเราด้วคนนะครับอัลลอลลอฮุ่วะลานบีนะมุฮัมมัดะลาอลีซบุสมุ่คุมมะ